มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญหาฉัตทวัคขี่หิปัพชิจตะสัมมาปฏิปัติปัญหาที่เก้าถามเรื่องปฏิบัติชอบของขเรืงหัดที่ได้มรรคผลราชาอาหะ สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การถามซึ่งอัธปัญหาอื่นว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้เฉลิมประดาชปรีชาญานสมเด็จพระบรมโลกานาศาสตาจารย์มีพระพุทธดีกาโปรดไว้ว่าพิกเวดูราณะภิกษุทั้งหลายอาหังอันวัตถาคตนี้มาสันเสริญซึ่งสัมมาปฏิบัต ถ้าผู้ใดปฏิบัติดีแล้วเป็นประเสริฐอาจเกิดมรรคเกิดผลจะได้เลือกว่าคฤหัสถ์จะได้เลือกว่าบัรประชิดหาไม่ได้ถ้าผู้ใดปฏิบัติดีแล้วก็จะได้มรรคได้ผลเป็นอันเที่ยงแท้นี่แหละพระผู้เป็นเจ้าถ้าว่าฉะนนั้นแล้วโยมเห็นว่าเป็นคฤหัสถ์ที่ปฏิบัติดีได้เปรียบกว่าสบายกว่าด้วยว่า ครหัส่านี้โอทาตะวัสโนจะนุ่งผ้าขาวผ้าดำผ้าแดงผ้าได้ผ้าไหมประการใดก็ดีมิได้ว่ามิได้มีพระพุทธดีกาทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามกามโภคียินดีในที่จะบริโภคซึ่งรูปะสัทธะคันทะรสะโพธภะได้ตามปรารถนารูปะคือยินดีที่จะเชยชมรูปหญิงเป็นต้น สัทธะคือเสียงดุริยะดนตรีเสียงขับร้องคันทะคือของหอมอันชื่นใจระสะคือรสในอาหารโพธพะคือสิ่งที่จะถูกต้องมีคร้าคลึงเป็นต้นคฤหัสยินดีในสิ่งเหล่านี้ได้ตามปรารถนาและจะมีบุตรภรรยายอย่างไรก็ได้ไม่มีข้อห้ามและจะไล่ทาซึ่งของหอมอย่างไรก็ทำได้ ส่งได้สิ้นสาธิยันโตจะชื่นชมยินดีซึ่งเงินทองสร้างสมไว้ก็ได้โมลิพันโทจะมุ่นมวยผมแล้วจะประดับให้วิจิตไปด้วยแก้วและทองนั้นก็ทำได้ไม่ขัดครืหัดเห็นปานดังนี้คืออุบาสกอุบาสิกาสัมมาปฏิปันนาจะชวนกันปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติ คือจำเริญซึ่งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานภาวนาไปก็จะสาเร็จแก่ยาตธรรมมรรคผลสาเร็จแก่พระนิพพานอันสุขเกษมโยมเห็นชะนี้โยมจึงว่าครหอัดได้เปรียบกว่าบรรพชิตธรรมดาว่าบรรพชิตนี้จำเพาะจะนุ่งห่มได้แต่ผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดบินทบาทเลี้ยงชีวิตลำบากนักหนามีปกติรักษาซึ่งกิ มิให้ผิดจากพระพุทธบัญญัติตั้งใจปฏิบัติถือให้มั่นในศีลขันธ์ทั้งสี่คือพระปาติโมคสังวรศีลปัจจยสันนิสิตศีลอาชีวะปริสุทธิศีนอินทริยะสังวรศีลดังนี้และต้องสมาทานศีลถือมั่นสิกขาบททั้งหลายมิหนำซ้ำต้องประพฤติเตยรสะทุดงสิบสาประการอีกเล่า ดูนี้ลำบากนักถ้าว่าไม่มีผลเป็นวิเศษอีกแล้วโยมเห็นว่าลำบากกายเปล่าถึงจะปฏิบัติดีเล่าก็ได้มักได้ผลเช่นเดียวกับคฤหัสถ์ที่ปฏิบัติดีถ้าฉะนั้นเป็นคฤหัสถ์สบายกว่าซึ่งบรรพชานั้นหาผลไม่ได้วินัยศิขาบทบัญญัติก็หาผลไม่ได้เตระสะทุดงปฏิบัติก็หาผลไม่ได้ กิงตถะทุกขะมนุจินเนนะจะประโยชน์ทำไมได้วยการปฏิบัติลำบากเล่านี่แหละข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยมคิดดูก็สงสัยจงวิสัชนาไปให้แจ้งก่อนพระน่าเกษรจริงถวายพระพรวิสัชนาว่ามหาราชะดูรานะบบพิษพระราชสมภารภาสิตังเจตังข้อความประการนี้ สมเด็จพระศรีสุคตทศพลยานเจ้าโปรดไว้ว่าสัมมาปฏิปัติ่งวันเนมิตถาคตมาสรนเสริญปฏิบัติอันเป็นสัมมาปฏิบัติว่าเป็นครือขัดก็ดีบรรพชิตก็ดีมีอุตสาหาปฏิบัติแล้วก็จะสําเร็จซึ่งธรรมวิเศษสมดังปรารถนาถ้าว่าบรรพชิตปฏิบัติก็จะได้สําเร็จแก่ธรรมวิเศษดุจพระพุทธดีการตรัส ก็เมื่อว่าบรรพชิตผู้ใดมาเข้าใจเสียว่าปับพชิตโตมหิอัตมานี้เป็นบรรพชิตรักษากิจตามพระวินัยบัญญัติแล้วนะสัมมาปฏิบัติชัยยะไม่พึงปฏิบัติให้เป็นสัมมาปฏิบัติคือจำเริญสมถาวิปัสนาอัทโขกาเลในการนั้นแท้จริงอารกาสามัญญา บรรพชิตนั้นก็จะไกลไปจากมรรคผลเป็นปุถุชนอยู่หาสเร็จไม่ปะเควะจะกล่าวไปยายถึงขราวาดเล่าเมื่อขราวาาตั้งอยู่ในพระไตรสารณาคมและศีลห้าเป็นนิจศจีลศีลแปดเป็นอติเรกศีลให้ทานแกยาจกสมณะพระมนาจารย์ถือใจว่าเรากระทำบุญนี้ประเสริฐนักนา แล้วมิได้จำเริญสมถะวิปัสนาอาระกะสามัญญาก็จะไกลจากมรรคผลถ้าว่าคฤหัสถ์คนใดตั้งอยู่ในพระไตรสารณาคมและศีลฐานแล้วจำเริญวิปัสนากรรมฐานเป็นสัมมาปฏิบัติคฤหัสนั้นก็จะได้มรรคผลข้อซึ่งสมเด็จพระทศพลตรัสสรรเสริญสัมมาปฏิบัตินี้ กลัวว่าบัญพชิต จ, จะสละไม่รักษากิจวินัยไม่ปฏิบัติและกลัวครหอขัดจะสารวนไปข้างศีลทานมิได้จำเริญซึ่งสมถกรรมาฐานและวิปัสสนากรรมาฐานเป็นการสัมมาปฏิบัติที่จะรีบรัดเข้าสู่พระอมะตะมหานิพพานเสร็จแล้วกลัวว่าจะเป็นปุถุชนวนเวียนตายเกิดหากำหนดสงสารมิได้สมเด็จพระบรมโลกนาศาสดา จึงมีพระพุทธดีกาตรัส ด, ดังนี้อันหนึ่งอย่าได้ถือว่าคฤหัสถ์ดีกว่าบรรพชิตบรรพชิตนี้ประเสริฐกว่าเพศคฤหัสถ์เหตุว่าส่งไว้ซึ่งภูมิพระอรหันต์เป็นเพศสูงนักหนาพระหุคุณามีคุณจะนับจะประมาณไม่ได้เปรียบไปก็ปานกันกันกบแก้วมณีมีชื่อว่ากามรมท ะ, ทะ เป็นแก้วอันให้สําเร็จซึ่งสิ่ ง, งสารพัดจะปรารถนาบุคคลจะตีค่าลงราคาว่าเป็นทรัพย์เท่านั้นเป็นทรัพย์เท่านี้ดูไม่สมควรยิ่งนักยถามีครุวนาฉันใดพระคุณแห่งบรรพชาก็มีครุวนาเปรียบดังนั้นมหาราชค้อถวายพระพรบพิทธพระราชสมภพมหาสมุทเทอุมมิโย เปรียบดูดหนึ่งลูกคลื่นในท้องมหาสมุทรอันใหญ่แต่มหาสมุทรก็สุดที่จะประมาณได้เพราะว่ากว้างใหญ่มิหนำซ้ำจะให้ประมาณลูกคลื่นในท้องมหาสมุทรสุดปัญญาเหลือปัญญาที่มนุษย์ผู้มีปัญญาจะประมาณจะนับได้โดยสังขยายะถามีครุวนาฉันใดคุณแห่งบรรพชานี้ยิ่งใหญ่ประกอบไปด้วยวิเศษสุด เป็นอเนกาสุดที่ว่าจะนับจะประมาณได้มีพระคุณเลิศดินฟ้าผู้ที่เป็นบรรพชิตนี้ดีกว่าครือขัดจะปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติด้วยหวังจะได้บรรลุมรรคผลก็ได้โดยง่ายเร็วกว่าครือหัดอับปิโฉเพราะบรรพชิตนั้นเป็นผู้มักน้อยสันโดษบริสุทธิ์สะอาดวิวิตโตจำเพาะอยู่แต่ในที่สงัด อาสังสัตโถมิได้รัคนปนอยู่ในหมู่คณะมิได้ทุระกังวลด้วยสิ่งใดมีอะไรเด็ดขาดไม่ห่วงใยที่อยู่ย่อมรักษาศีลขันทั้งสี่ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์และฉลาดในทุดงสิบสามเช่นนี้จะหวังมรรคผลหรือคุณพิเศษอันใดก็ดำเนินสุกรรมฐานวิธีปฏิบัติให้สำเร็จได้คล่องไม่ต้องกินเวลานาน มีอุปมาฉันใดมีอุปไมยดุดเรือที่เกลี้ยงกล่วเรียบเสมออันบุคคลขัดดีแล้วและไม่คดเคี้ยวตรงดีจะมีอะไรติดเป็นมลทินก็หาไม่ย่อมแล่นได้ดีฉันใดเพศบรรพชิตนี้ปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติอยู่แล้วย่อมยังกรรมฐานวิถีให้สำเร็จได้คล่อง อาจจะกระทาสมานากิจให้สำเร็จหวังได้โดยง่ายเะนั้นส่วนเพศคฤหัตถึงจะได้สำเร็จได้ก็ยากนักเพราะจิตมัววุ่นวายติดอยู่ด้วยเครื่องกลือกลัวแห่งกิเลสต่างๆยากที่จะหาโอกาสกระทาให้เป็นสมาธิได้มหาบพิตรจงทราบพระยานด้วยประการดังนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดี มีพระราชะองค์การตรัสสรรเสริญสติปัญญาพระหน้าเกษณ์ดุดนยะที่วิสัชนามาแล้วขีหิปัพพิตะสัมมาปฏิปัติปัญหาเป็นคำรบก้าวจบเพียงนี้มีเชิงอัดในระหว่างนี้ฉบับแปลร้อยขาดหนึ่งปัญหาชื่อปฏิปทาโทสะปัญหาในฉบับบาลี มีอยู่แต่ทั้งชื่อทั้งใจความตลอดจนสำนวนพร้อมกับปัญหาที่หนึ่งในชัตวักจึงงดเสียไม่ได้แปลเพิ่มลง